9. อัฏฐานะปริญญาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อกำหนดรู้อัฏฐานะ 9. 95. ภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติสมาธิที่ภิกษุจเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกำหนดรู้อัฏฐานะพึงเพิ่มข้อความที่เหลือให้พิสดาร อานาปาณสติสมาธิที่พิษุเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงเป็นไปเพื่อกำหนดรู้อัธนะอัธนะปริญญาสูตรที่เก้าจบ